หน้าสี่สิบนะยังกล่าวทาสุตะระสูตรเพราะว่าทาสุตะระสูตรจริงๆก็กล่าวอ้างว่าเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ถึงท่านจัดเรียบเรียงหัวข้อสิบหัวข้อทาสุตะระก็คือเกินสิบอ่ะนะนหมวดหมดหนึ่งหมวดสองไปจนถึงหมวดสิบแล้วก็แต่ละหมวดนี่มีอยู่สิบข้อ ก็รวมเบ็ดเสร็จแลวห้าร้อยห้าสิบข้อถ้าสังคีติสูตรนี่มีอยู่หนึ่งพันกว่าข้อเนี่ยนใครจำสองสูตรนี้ได้ก็โหได้แล้วประมาณพันเกือบหกร้อยข้อถ้าจำทั้งทัาสุตรตรสสูตรกับสังคีติสูตรเนี่ยนะ น, นทีขณิกายนี่ใหญ่มากเนี่ยเนื้อหาธรรมะจุวเยอะเลย <c oughs> มาขึ้นธรรมะหมวดแปดเลยนะ ซึ่งในธรรมะหมวด8หมวด8ตั้งแต่พระหุะหการะคือธรรมะที่มีอุปการะมากานะพาเวตพภะธรรมะที่ควรเจริญปริญญะคือธรรมะที่ควรกาหนดรู้ปหาตพภะคือควรละหานาภาคยะส่วนแห่งความเสื่อมวิเศษภาคยะส่วนแห่งความพิเศษทุ ป, ปฏิวิชชาเนี่ยแทงตลอดได้ยากหรือบรรลุยากอุ ป, ปาเทตพภะ ควรให้บังเกิดขึ้นอภินยยะควรรู้ยิ่งและสัชิกาตัพะควรทำให้แจ้งน่แหละธรรมะทั้งส0บหัวข้อนี้น่แหละมาเรียงเป็นหมวดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดปดเก้าสบตอนนี้ก็มาอยู่ในหมวด8หมวด8นั้นกล่าวถึงธรรมะที่มีอุปการะมากน่แหละดอย่างมาดูว่าสิ่งที่มีอุปการะมากนั้นเป็นยังไง คือเหตุ8ปัจจัยแปดย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้เพื่อความมียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความพัยบุ์เพื่อความเจริญเพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วก็คือเหตุแห่งปัญญาที่เป็นเบื้องต้นแห่งมรรคพรมจรรย์นั่นเองเนี่ยนะพรหมจรรย์ตัวนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคเพราะฉะนั้นปัญญาอันะเหตุปัจจัย8ดอย่างทําให้เกิดปัญญา ปัญญาอันนี้เป็นปัจจัยแห่งอริยมรรคก็มาดูว่าเหตุแปดอย่างทําให้มีปัญญานี่เป็นยังไงนะซึ่งอัตถกถาอธิบายว่าบทว่าอธิบ ร, รมจริยกายปัญญายะความว่าสมถะและวิปัสนาอย่างอ่อนในส่วนเบื้องต้นเพราะเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งมรรคพรมจันทร์สงเคราะห์ด้วยตรัยสิกขาแลนถ้าเหตุปัจจัยแปประการให้จะเกิดสมถะและวิปัสนานั่นเอง มันคำว่าปัญญาทีเนี้ยปัญญาที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ปัญญาอันนี้เป็นปัญญาที่เป็นไปกับสมถะก็คือสมถะทั้งหลายก็ญาณสัมปยุทธใช right? ่ไหมการเจริญสมถะนี้ญาณวิปยุทธหรือเปล่าไม่ใช่ก็ญาณสัมปยุทธแต่ว่าญาณสัมปยุทธอันนั้นเป็นไปกับการปรารบสมถะเห็นไหมทีนี้วิปัสสนาก็ญาณสัมปยุทธเหมือนกันแต่ว่ามีมีการปราลบนามรูป เป็นต้นเนี่ยนะเหตุปัจจัย8อย่างนี้เป็นเหตุแห่งปัญญาที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วก็จักเจริญไพยบูร์งอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปนนะเหตุและปัจจัย8อย่างนั้นได้แก่หนะึ่งะดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอยู่อาศัยครูหรือสัพพมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูรูปใดรูปหนึ่ง เธอเข้าไปตั้งไว้ซึ่งฮเรและโอต ป, ปะความรักและความเคารพอย่างแรงกล้าในท่านนั้นนี้เป็นเหตุข้อที่หนึ่งเป็นปัจจัยข้อที่หนึ่งเป็นไปเพื่อความได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้เพื่อความมียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความภัยบูนเพื่อความเจริญเพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้ว ข้อแรกเลยก็คือมิตรดีสหายดีมิตรดีสหายดีในที่นี้หมายถึงครูอาจา ร, รย์นั่นเองได้อาจารย์ดีนะข้อแรกเลยสําคัญมากเหตุแห่งปัญญาคือได้อาจารย์ดีถ้าเป็นสมัยก่อนไปสมัครเป็นลูกศิษย์ภาษารีบุตรหรือพระมกขาลานะพระมหากระสปะพระอ น, นุนเนี่ยนะพระอนุรุทธะพระมหากระจายณะเนี่ยก็อาศัยท่านเหล่านั้นเรียกว่าอาศัยครูดีมีแล้วก็เป็นครูที่ที่ทมีความรู้มีความสามารถอย่างนี้นะ เราก็ตั้งฮีริโอตา ป, ปะเอาไว้กับท่านอย่างแรงกล้ามีความเคารพในตัวท่านอย่างแรงกล้าอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยแห่งปัญญาข้อแรกจริงๆแล้วข้อแรกข้อนี้เป็นเป็นข้อที่สำคัญที่สุดนะถ้าถ้ามองในแง่ของพระพิสุในแง่สัมณเพศเนี่ยนะจะบวชได้เจริญได้ยืดยาวหรือบวชแล้วจะเจริญจะมีความรู้ดีหรือไม่อยู่ที่ข้อนี้คือ ครอาจาร์นั่นเองเนี่ยนะที่เข้าไปสมัยก่อนก็นเรียกอุปชาอาจาร์นั่นแหละนะมีใครเป็นอุปชาเพราะว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยนะคนเสียหายเพราะมีพระโลลุทายีเป็นอุปชานี่ไม่ใช่น้อยพระโลลุทายีเนี่ยนะถ้าดูข้างนอกท่านผิวผิวงามมากรูปร่างท่านก็ดีหุ่นดีกิริยา ม, มารยาท ด, ดูแล้วหน้าเรื่มใสแต่ว่าชวนลูกสิษ์ตแต่ละเรื่องนี้พาเสียหมดเลยเนี่ยนะเช่น ชวนผิดสังฆาติเศษข้อที่หนึ่งอย่างเงนะเขาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องตบแต่งชวนตบแต่งบริขารชวนเนี่ยกลุ่มเนี่ยเป็นส่วนใหญนน่แล้วก็ไม่ฉลาดก็เลยเรียกว่าโลลุทายีเนี่ยนะอุทายีเลิะเถ่อนจำธรรมะก่อมาก็ได้ธรรมะที่จำได้แล้วก็เลิะเลือนไม่สาธยายนีเนย่เพราะว่าเป็นผู้ที่ติดในกามติดในอกุศลในนี้ท่านบวชนานะนะเขาก็ให้เคารพก็กยังว่า ก็มอีองค์สมัยพุทธกาลเรียกโลลุทายีเพราะฉะนั้นถ้าเดียรถีถ้ามาลองภูมิกับโลลุทายีนี่เป็นได้ชนะกันกลับไปหมดอ่ะนะเพราะว่ามาลองกับคนไม่มีความรู้อยู่แล้วเนี่ยนะถ้าได้ครอาจารย์แบบนั้นเนี่ยลูกศิษย์ก็นะอย่างพระเสยยศกะเนี่ยเป็นอบัตสังฆทิเศเรวยพระที่เป็นอบัตสังฆทิเศเรอยๆบางองค์ก็เพราะได้อาจารย์ที่ที่ ไม่ให้ความเคารพรักใคร่ในในสิกษามากนะักเพราะลูกศิษย์ก็ละเลยเพราะลูกศิษย์ละเลยในการปรารบศิกษาอากุศลวิตกก็กุ่วมรุมเมื่ออากุศลวิตกรก่มรุมมันนะอันนั้นแหละเป็นมโนทุจริตก่อนถ้าพูดก็เป็นวจีทุจริตพฤติกรรมก็เป็นกายทุจริตนั้นอากุศลวิตกเป็นเหตุแห่งทุจริตสามทีนี้ถ้า พระพิสูจที่ทุจริตล่วงมาทางกายเนี่ยนะโดยมากแล้ววินัยจะต้องผิดวินยัยไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าสิขาบทในพระศาสนาเนี่ยมีมากอันท่าขอให้มันเกิดจากทุจิจริตเป็นสมุดฐานเถอะเนี่ยนะเป็นคำพูดเนี่ยเช่นพูดล้อเล่นนะนะชาวบ้านก็พูดล้อเล่นแม้วันนี้แต่งผมสวยจังเนี่ยนะเพื่อจะคำาำสนุกสนุกนะนะพระเอามั่งเนี่ยเป็นอาบัติแล้วนะเนะีบอกเออ แม้คุณเนี่ยไปทํายังไงพร้อมจังอะไรจังเนี่ยนะตารอบแล้วพูดเล่น น, นะนะปกติคําเหล่านี้เป็นพูดคําพูดเล่นภาษาธรรมะใช้คำว่าทุพภาสิทธ์เนี่ยนะอันพระพูดมั่งนะเป็นนบัตนะนี่นะแต่เช่นเปรียบเประยะถ้าพูดดา่าด้วยโทสะหนักไปกว่า น, นั้นอีกอันนะั้ขอให้เกิดจากพูจริตกรรมเถอะอย่างใดอย่างหนึ่งนะจะเริ่มเริ่มผิดพระวินัยไปเรื่อยๆ เ, เ, เ, เพราะฉะนั้นาการอาศัยครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ที่ไม่มีฮิริโอตปะะ หรือไปอาศัยแล้วขาดความเคารพอย่างแรงกล้าเนี่ยนะโดยปกติแล้วศีลเป็นต้นก็จะเสียหายนึกถึงพระราหุลพระราหุล น, นี้พอบวชเข้ามาเนี่ยท่านบวชตั้งอายุเจ็ขวบท่านมีภาษารีบบตทเป็นอุปชามีพระมหาโมคขารนะเป็นอาจารย์สิ่งที่พระพุทธเจ้าเตือนพระราหุลเนี่ยเตือนบ่อยมากคือว่าท่านยังเคารพภาษารีบบทยอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะซึ่งในในราหุลสูตร คุตการนิกายสุตตะนิบาทานะซึ่งก็อ่านแล้วก็เป็นที่ชอบใจเนี่ยนะคือพระองค์จะถามพระราหุลบ่อยมากว่าเธอย่อมไม่ดูหมิ่นบัณฑิตเพราะการอยู่ร่วมกันเนืองๆแลหรือการทรงคบเพลิงเพื่อมนุษย์ทั้งหลายเธอนอบน้อมแ ล, แลหรือเนี่ยนะคำว่าบัณฑิตในที่นี้หมายถึงภาษาบุตรเนี่ยนะคือภาษารพระ พระราหุลเนี่ยรักพระสารีบุตรเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับพ่อจริงๆเลยแล้วจะเรียกแม่พระสารีบุตรว่าเป็นย่าเนะนี่ยนะเรียกว่าเป็นคุณย่าเนะนี่ยนะทีนี้พระองค์ก็จะคอยเตือนพระราหุลอยู่ด้วยพระราหุล น, นี้โดยชาติท่านก็ชาติสูงเนะนี่นยนะสกยาชาตินี่สมัยนั้นถือว่าสูงที่สุดเนะนี่ยนะแล้วโดยโคตท่านก็โคตรมกโคตใช่ไหมถือว่าเป็นโคตหรือเป็นโคตที่สูงมากเนะนี่ยนะโดยตระกูลก็สูงโดยผิวท่านก็ผิวเหมือนทองเนี่ยนะ เพราะว่าถ้าท่านไม่บวชท่านจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนะนี่ยนะปาราหุนนนะเั้นหลายๆเรื่องท่านก็เป็นผู้ที่บริบูรณ์หมดทั้งสติปัญญาเป็นต้นนั้นพระพุทธเจ้าจะคอยเตือนว่าเธอย่อมไม่ดูหมิ่นบัณฑิตอย่างด้วยการอยู่ร่วมกันเนืองๆ ห, หรือเพราะว่าการอยู่ร่วมกันเนืองๆเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดอีกฝ่ายหนึ่งดูหมิ่นอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมถ้าใหม่ๆก็ไม่ค่อยมีปัญหาถ้าคบกันไปนานๆก็ไม่อย่างใดยอย่างหนึ่งก็เป็นที่ตั้งแห่งความ ดูมนกับอีกฝ่ายหนึ่งเช่นดูหมิ่นด้วยชาติด้วยโคตรด้วยตระกูลด้วยติวพันธุ์ด้วยศิละปะวิทยาฐานะแล้วแต่จะนึกสรรหามามาตําหนิเนี่ย น, นะดูหมิ่นก็คือการตําหนิอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะอันผู้ที่ตําหนิหรือดูหมิ่นอีกฝ่ายหนึ่งก็คือประกาศถึงความขาดเมตตาอย่างหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าไอ้เมตตาที่ไม่เกิดด้วยเหตุสองคือด้วยอํานาจโทสะและมานะเนี่ยนะ ม, มานะมากก็ขาดเมตตาโทสะมากก็ขาด เมตตาพราะนั้นการดูหมิ่นก็จะทําให้ขาดเมตตาเมื่อขาดเมตตาแล้วเมตตานี้แบ่งตามทวารก็เมตตาทางกายทวารอย่างหนึ่งเมตตาทางวจีทวานนี่อย่างหนึ่งเมตตาทางมโนทวานนี่อย่างหนึ่งเห็นไหมแต่ก็ถ้าขาดเมตตาทั้งกายทวารทั้งตอนหน้ารับหลังวจีทวารต่อหน้ารับหลังมโนทวานต่อหน้ารับหลังก็เกิ ถ้าอยู่ในฐานะผู้ที่เป็นสิทธิ์ด้วยจะไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะคำนวนว่าถ้าเราอ่านหนังพระไตรปิฎกนะแล้ววันไหนนึกหมิ่นพระไตรปิฎกขึ้นมาแล้วเราจะได้อะไรจากพระไตรปิฎกมั่งเล่มนี้พิมพ์ก็ใหม่ดีรูปเล่มก็ใหม่สวยตัวก็เล็กเนี่ยนะตําหนีไปเรื่อยอะนะหาช่องไม่ชอบไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้ถามว่าเปอร์เซ็นต์อ่านพระไตรปิฎกเล่มนั้นจบมีไหมมีได้สักสิบหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ยเพราะถ้าถ้าหมิ่นถ้าหมิ่นไปแล้วก็นับว่ายาก ก็บอกว่าไม่ดูหมินคำว่าไม่ดูหมินก็แปลว่ายังเคารพนบนอบยังบูชาอยู่หรือเพราะว่าภาษาริบุตรนี้เป็นผู้ทรงคเบเพลิงนะถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือผู้ชูประทเนี่ยนะถามว่าภาษาริบุตรทรงคเบเพลิงชูประทีบอะไรบ้างข้อหนึ่งนะภาษาริบุตรนี้เป็นผู้ที่มีญาณนะเป็นผู้ที่มีปัญญามากานะอย่างที่สอง ภาษาเรบบทเป็นผู้ที่ชูประทีบคือธรรมเทศนาเนี่ยนะคือตัวท่านเองก็เป็นผู้ที่สว่างอยู่ในตัวของท่านแล้วและอย่างที่สองท่านก็ยังชวนคนอื่นให้สว่างด้วยเนี่ยนะดันั้นภาษารรบุตรนี้เป็นผู้ที่ขยันไม่เกียจคร้านในการโอวาสสังสอนอนุศาสนีอ่าสิทธ์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นคนที่ขยันแสดงธรรมมากมาอนนั้นะมีมีเมตตา ม, ह, มีกรุณาเนี่ยสูงมาก พอพระพุทธเจ้าถามว่าเธอไม่ดูหมิ่นเพราะการอยู่ร่วมกันยังเคารพ น, นอบน้อมภาษารีบุตรอยู่หรือเปล่าว่างั้นพระราหุลก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระองค์ย่อมไม่ดูหมิ่นบัณฑิตเพราะการอยู่ร่วมกันเนืองเนืองการทรงคบเพลิงเพื่อมนุษย์ทั้งหลายข้าพระองค์นอบนอบ้อมแล้วเป็นนิษฐ์เห็นไคือท่านก็บอกว่าท่านนี้ไม่มีมานะในภาษารีบุตรเลยท่านมีความเคารพเห็นไหมท่านบูชานอ บ, น, อบ น, อน้อมภาษารีบุตรตลอดเลยว่างั้น พระพุทธเจ้าก็แนะนําต่อไปเนี่ยนะว่าเธอละกามคุณห้ามีรูปเป็นที่รักเป็นที่รื่นรมใจออกบวช ด, ด้วยศรัทธาแล้วจงกระทําที่สุดแห่งทุกเธอเนี่ยนะพูดถึงว่าเออเธออยู่ร่วมกับบัณฑิตเนี่ยนะอยู่กับบัณฑิตนี้ก็ก็ดีแล้วเนี่ยนะอันนั่นแหละเป็นเหตุให้กุศลธรรมทั้งหลายของเธอเจริญนั่นแหละเป็นเหตุแห่งศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยเจริญ ง, งอกงามยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้น อันนั้นก็คือถือว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยดีแล้วทีนี้ตัวเธอเองเนี่ยเธอต้องละกามคุณห้านะกามคุณห้าซึ่งมีรูปเป็นที่ที่รักเป็นต้นเนี่ยนะปียรูปและเธอเนี่ยออกบวช ด, ด้วยศรัทธาคําว่าออกบวช ด, ด้วยศรัทธานี้ออกบวช ด, ด้วยปรารถนาอะไรจรึงเรียกว่าบวช ด, ด้วยศรัทธาคือบวชและปรารถนาอรหันตผลชื่อว่าบวช ด, ด้วยศรัทธาเนี่ยนะถามว่าเอา้า พระราหุลเนี่ยบวชพ่อจะขอทรัพย์ไม่ใช่หรือทําไมจึงเรียกว่าบวช ด, ด้วยศรัทธาล่ะเพราะท่านบวชตอนอายุ7จ็ขวบใช่ไหมตนางจะโสธราบอกว่าสัมมนาองหน้าและพ่อของเป็นพ่อของลูกท่านมีทรัพย์เยอะนะไปขอซะนะพระพุทธเจ้าก็เลยอัน็ถ้าพระพราหูก็ไปแบมือขอทรัพย์อันนเห็นแล้วรักเลยนะก็ติดตามไปเรื่อยขอขอทรัพย์ไปเรื่อยขอทรัพย์อันเป็นของบิดาเนี่ยนะก็จะเป็นทายาทก็จะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิละ พุทธเจ้าก็บอกเอ้นี่มาขอโลกิยาซับทรา น, นให้โลกุตระรัพย์ดีกว่ า, างั้นก็เลยให้อริยะซั์แทนเลยนะของเราไม่รู้จะพอใจหรือเปล่าขอสตังและให้ศีลอย่างเงี้เอาไหม <c oughs> นนท่านก็เลยขอโลกิยารัพย์แต่เขให้โลกุตระรัพย์ก็เลยบวชเลยนนะทีนี้พอบวช ด, ด้วยศรัทธาอย่างนี้แล้วจงทําที่สุดแห่งทุกเถิดที่สุดแห่งทุกในที่นี้หมายถึงที่สุดแห่งวัฏทุกข ทีนี้การที่จะทําที่สุดแห่งวัตทุกเนี่ยทำยังไงก็ด้วยการละสมุทัยนั่นเองเนี่ยนะด้วยการละตันหาดังนั้นเธอจงคบกาลยานามิตรเนี่ยนะอันนี้เป็นเป็นเหมือนกับคําสั่งเลยว่างั้นเธอบอกอันหนึ่งนะจําไว้เลยว่าคบกาลยานามิตรนะจงเสพที่นอนที่นั่งอันสงัดเงียบปราศจากเสียงกึกก้องอ น, นะข้อสองก็คือบอกว่า หาที่เงียบเงียบอยู่นะถ้าบอกว่าอยู่ที่งเงียบแปลว่าอยากคลุกคลีให้มากอย่าแงบบนั้นแหละอยาคลุกคลีข้อ3ก็บอกว่าเธอจงรู้จักประมาณในโภชนะเห็นไหมคำว่าประมาณในโภชนะก็คือรู้จักประมาณในการสแสวงหารู้จักประมาณในการรับรู้จักประมาณในการบริโภครู้จักประมาณในการสละเนี่ยนะฮะ ก็อัธิษฐาอธิบายว่าเวลาจะฉันก็ให้พิจารณานะมีการปัจเจกว่าอาหารที่บริโภคนี้บริโภคเพื่อประโยชน์อะไรเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ให้นึกอุปมาเอาไว้เสมอว่าถ้ารถสมัยนี้ก็เรียกว่าหยอดน้ํามันเครื่องให้รถในะสมัยก่อนเครียกว่ายอดน้ํามันให้เพลาเกวียนหรือว่าบริโภคเนื้อบดเพื่อข้าเพื่อข้ามทางกันดารให้ระลึกถึงตรงนี้เอาไว้ให้มากนะ เธออย่าได้กระทำความอยากในวัตถุอันเป็นที่เกิดแห่งตันหาเหล่านี้คือจีวรบิณฑบาต ท, ที่นอนที่นั่งและปัจจัยนคืออย่าตั้งความปรารถนาเพื่อเอาปัจจัยสี่มางั้นเถอะอย่าตั้งความปรารถนาเพื่อจีวรเป็นต้นเธออย่า ก, กลับมาสู่โลกนี้อีกเพราะไรเพราะว่าผู้ที่ปรารถนาในผ้าผู้ที่ยังปรารถนาในอาหาร ผู้ที่ยังปรารถนาในที่อยู่ผู้ที่ยังยินดีในอยู่ยาผู้นั้นจะต้องกลับมาหาโลกนี้อีกเป็นแน่อันนะทัวนอีกครั้งว่าผู้ที่ต้องการเครื่องนุ่งหม่มคือผ้าผู้ที่ต้องการอาหารผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยผู้ที่ต้องการยาทั้งหลายเนี่ยแปลว่าต้องการบริขารแสดงว่าอันนี้พูดโดยอ้อมจริงๆงกนนะ็ต้องการขันห้าอนะต้องการขันห้า ถ้าชอบวัตถุภายนอกแสดงว่ายินดีวัตถุภายในถ้าชอบสีนะก็ปรารถนาให้มีสีสมมุติว่าปรารถนาสีที่ดีก็แสดงว่าสิ่งที่เขาต้องการกว่าสีคือตาเนี่ยนะถ้าปรารถนาเสียงก็แสดงว่าเขายินดีในหูถ้าปรารถนากลิ่นหอมๆก็แสดงว่าต้องการจมูกถ้าปรารถนาอาหารที่รสอร่อยๆแปลว่าต้องการลิ้นเนี่ยนะ ต้องการโอทาผเนี่ยนะผ้าห่มอุ่นๆเป็นต้นก็แสดงว่าต้องการต้องการกายนะเรียกว่าพูดวัตถุภายนอกแต่ตัวจริงๆอ่ะต้องการภายในเนี่ยนะอันถ้าเธอยังยินดีบริขารภายนอกอยู่แสดงว่ายังยินดีในขันห้าปราถนาขันห้าอยู่เพราะฉะนั้นผู้ที่ยังยินดีในวัตถุภายนอกก็แปลว่าจะต้องมามาหาขันห้าหรือมาสร้างขันห้าอันใหม่เพราะฉะนั้นเธออย่าได้กลับมาสู่โลกนี้อีกเลย อธิบายว่าคนที่ถูกความอยากในปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยครอบงมก็จะกลับมาสู่โลกนี้อีกเนี่ยนะก็ถ้าปรารถนาบ้านก็แสดงว่าอยากอยู่บ้านใช่ไหมมีบ้านแล้วเก็บไว้โชว์เฉยเฉยเนี่นยเอาไหมไม่เอานะมีก็เพื่อที่จะอยากอยู่ก็แสดงว่าไอตัวที่อยู่ในบ้านคืออะไรก็คือขันห้นาเนี่ยนะถ้ามีเสื้อผ้าแล้วเอามาแขวนไว้เฉยเฉยเอาไหมนะเขาบอกอคุณเอาชุดนี้ไปแต่คุณห้ามใส่นะเอาไปแขวนไว้เฉยเฉยองนั้นเราก็ไม่ได้เอามาเพื่อประโยชน์อะไรอีกใช่ไหม เพราะฉะนั้นก็สรุปว่าถ้ายินดีในปัจจัย4ี่ก็คือยินดีในอุปาทานขันห้านั่นเองเพราะอุปาทานขันห้าอันนี้อาศัยปัจจัยภายนอกเป็นที่ตั้งแห่งสุขและทุกข์เป็นต้น เ, นะเพราะฉะนั้นอย่ า, ยามีตัณหาในปัจจัยเหล่านั้นเพื่อกลับมาสู่โลกนี้อีกเลยเก็เท่ากับประกาศสมุทัยสัจจะนะว่าเหตุแห่งการปฏิสนธิในภพใหม่ของเธอก็คือการเพลิดเพลินใน ปัจใจสนั่นนะแลจงเป็นผู้สํารวมในปาติโมกและอินสีห่าน่นนะปาติโมกขสังวรคือันนนะัถ้าปาติโมกนั้นกล่าวให้เต็มก็คือกายวาจาและอาชีพ n ั่นแหละเนี่ย น, นะศีลที่มาด้วยกายวาจาและอาชีพถ้าเป็นของพระขออภัยของคาราวาจะเรียกว่าอาชีวมัธกศีล น, นั่นนะเรียกว่าศีลมีอาชีพเป็นที่8ด ถ้าเป็นของพระพิสูจก็เรียกว่าปาติโมกนี่นะจริงๆอ่ะกายวาจาและอาชีพอีกนั่นแหละแต่ว่าของพระพิสูจนนั้นละเอียดกว่าของคาราวาเนี่ยนะเธอจงมีสติไปแล้วในกายก็คือให้มีกายคตาสติอนัตถาที่บายถึงว่ากายคตาสติตรงนี้หมายถึงจะตุธาวะวัฐานการกำหนดธาตสัมสชัญญะบัพพะเนี่ยนะสปะัญญะสในฐานะเจ็ อานาปานาสติอาหาเรปติกูลสัญญาอันนี้เรียกว่ากายคตาสติตรงนี้จงเป็นผู้มากไปด้วยความเบื่อหน่ายนี่นะสาภาพโลเกอนาพีรตาสัญญาเนี่ยอันนี้ให้เจริญเอาไว้ให้มากให้นึกเบื่อหน่ายในกรรมวิบากและกิเลสเนี่ยนะให้เบื่อหน่ายสามอย่างอันนี้ไว้ให้มากนะให้เจริญเพื่อ น, นึกเบื่อหน่ายอึดอัดชิงชังในในวตัตตาสามแบบนั้นเถอะ ก็มีความรู้สึกว่าบุญนี่มันจะต้องให้ผลนําเกิดอีกแล้วเนี่ยนะนี่ก็น่าเบื่อมากันนะถ้าเกิดอีกก็มีขันห้าขันห้าก็เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสเมื่อมีกิเลสก็มาทํากรรมอย่างนี้อีกก็ว่าสแสวงหาบุญมันน่าเบื่อหนายเนี่ยนะให้นึกเบื่ออย่างนี้ให้ไปมากๆให้เจริญอันนี้ให้ไอคิดแบบนี้มากๆถามว่าคิดแบบนี้ดีไหมบอกดีเพราะว่าอันนั้นแหละเป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายในวัตตะเนี่ยนะจงเวน้นสุภาพนิมิตอันกอ่อให้เกิดความกําหนัด นั้นนะสุภาพนิมิตนี่ก็จงเว้นแปล ว, ว่าอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนาอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจหลีกเลี่ยงนะเอีิจริงก็น่าจะดีใช่ไหมไปหาสีสวยๆดูหาเสียงเพราะๆฟังเนี่ยถามว่าน่าจะดีใช่ไหมอ้าวก็เพลิดเพลินอ่ะนะก็เพลิดเพลินกับสีเพลิดเพลินกับเสียงทำไมตรงนี้พระพุทธเจ้าให้เว้นก็ว่าให้ตรงอนั่นแหละคืออาหารสแสลงดีๆนี่แหละนะ ก็ถ้าคนป่วยอ่ะทำไมเขาหมอจึงห้ามอาหารที่คนนั้นเขาชอบอ่ะนะอาหารชอบของคนไข้อาจจะไม่ใช่เกือ้อกูลต่อต่อการหายโรคอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าไปเพลิดเพลินในสุภาพนิมิตเนี่ยนะไข้นี่ไม่ได้ลดลงอะไรเลยนะก็นี่แต่ป่วยมากขึ้นป่วยมากขึ้นอันนะัจงอ บ, บรมจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งให้ตั้งมั่นดีแล้วในอสุภะภาวนา ให้ตั้งมั่นในอสุภาพภาวนานะหมายถึงอสุภาพที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองอสุภาพที่มีวิญญาณครองก็คือเกษาโลมานขาธันตาตะโจเ น, นี่ยนะก็คืออาการ32เรียกว่าอสุภาพที่มีวิญญาณครองส่วนอสุภาพที่ไม่มีวิญญาณครองก็ได้กแก่ซากศพที่ตายไปแล้ว1วันสองวันสาวันเป็นซากศพสีเขียวขึ้นอืดขึ้นพองไปเรื่อยพวกนี้เรียกว่าอสุภาพที่ไม่มีวิญญาณครอง ให้เธอมีความสงบอยู่กับสิ่งนี้ น, นะสำนวนว่าให้สแสวงหาความสุขจากสิ่งนี้อย่าสแสวงหาความสุขจากสิ่งสวยๆแต่ว่าให้สแสวงหาความสุขจากสิ่งไม่สวยนะอันนี้ตรงกันข้ามกันชินนี้เรียกว่ากลับหลังหันไม่ใช่ไม่ใช่แบบเชียงๆหน่อยนะเลี่ยงๆอันนี้ไม่ใช่อันนี้กลับหลังหันเลยนะก็บอกว่าปกติทั่วๆไปนะ ก็บอกว่าคนจะดูคนหรือเขาจะดูกันตรงไหนเขาจะดูผิวที่มันอยู่ข้างนอกไหมแต่ถ้าเป็นคําสอนนะก็บอกว่าเธอจงมองอะไรให้มันหนังกลับเหมือนเดิมให้ดูแบบหนังกลับหมดเลยเพราะฉะนั้นไอ้ไอตรงนี้แหละที่เรียกว่ามันมันขัดต่อโลกเห็นไหมซึ่งโลกเนี้ยเพลิดเพลินมีความเพลิดเพลินเป็นที่มายินดีใช่ไหมแต่ของทางธรรมะให้รังเกียจไอ้ความเพลิดเพลินอันนั้นเพราะว่าไอ้ความเพลิดเพลินอันนั้นเป็นเหตุแห่ง วัตทุกเนี่ยนะและให้มีความสงบกับสิ่งนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่เพลินอย่างเดียวแล้วให้สแสวงหาความสุขจากสิ่งนี้ด้วยเมื่อเราวันจําได้นะธรรมะหนึ่งที่ควรเจริญคือกายคตาสติสหรคตด้วยความสําราญน่นนะก็คือสแสวงหาเจริญอสุภาษแล้วให้ทําชาญให้ได้จากอสุภาษเหล่านั้นให้หาความสุขจากสิ่งเหล่านี้นะจงอบรมอนิมิต คือวิปัสนาเนี่ยนะจงอบรมวิปัสนาแล้วก็ละมานานุสัยแล้วก็ให้ให้เจริญอนิมิตตานุปัสนาเป็นต้นให้มากอนิมิตตานุปัสนาก็คืออนิจจานุปัสนาให้ตามเห็นขันโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ถือขันเหล่านั้นโดยความเป็นของเที่ยงเนี่ยนะให้ถือขันโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่ถือโดยความเป็น สุขให้ถือโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่ถือโดยความเป็นอัตตาเป็นต้นนั้นก็ให้ถื อ, อนิมิตว่าเที่ยงนิมิตว่าสุขและนิมิตว่าเป็นอัตตาเนี่ยนะไม่ให้ไปถือนิมิตเหล่านั้นเลยซึ่งที่พรงษ์บอกว่าจงเจริญอนิมิตหรือเจริญวิปัสสนาแล้วก็ละมา น, านุสัยอัตกระธายก เมขยสูตรมาที่บายว่าดูก่อนเมขยเมื่อบุคคลได้อนัตตาสัญญาด้วยการเจริญอนิมิตตภาวนาคือผู้ที่เจริญอนิจจสัญญาหรืออนิจจภาวนามากๆอนัตตสัญญาก็จะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั่นแหละเป็นอนัตตาก็สิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละมันเป็นอนัตตาใครไปควบคุมความไม่เที่ยงได้บ้างเอะเช่นแกแล้วอย่าตายอย่างเงี้ยไง เกิดมาแล้วอย่าตายเนี่ยใครใครใครคุมได้บ้างก็ไม่มีใครควบคุมได้เพราะมันเป็นไปตามปัจจัยถ้าสายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยมากอนัตตะสัญญาก็จะปรากฏเนี่ยนะก็จะเจริญขึ้นทีนี้ผู้ที่มากไปด้วยอนัตตะสัญญาก็จักละมานะได้เนี่ยนะก็จักละมานะได้ก็จะไม่เอาขันอันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามาเป็นที่ตั้งแห่งการดูหมิ่นและดูแคลนกันเนี่ยนะที่พระองค์ตรัสกับ โซนะเครืหา บ, บดีบุตรเนี่ยนะว่าผู้ที่มีมานะทั้งหลายเนี่ยก็เอาขันท่านั่นแหละมาเป็นเป็นเครื่องเปรียบเทียบก่อให้เกิดมานะเนี่ยนะเอารูปบ้างเป็นเป็นที่ตั้งแห่งมานะเอาเวทนาบ้างเป็นที่ตั้งแห่งมานะเนี่ยนะถ้าเอารูปเป็นที่ตั้งแห่งมานะก็คือเช่นว่ารูปอันนี้มันไปเกี่ยวข้องกับชาติตระกูลเราตระกูลสูงกว่า น, นะหรือเช่นในแง่ของผิวพรรณอย่างงี้ยในแง่ของสุขภาพ พลานามัยในความเป็นหนุ่มเป็นสาวในความไม่มีโรคอะ่ะก็เอาสิ่งเหล่าเนี่ยมามาเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเราเนี่ยเท่ากับเขาเราเนี่ยเสมอเขาเราเนี่ยเลวกว่าเขาอันนี้มานะเฉยๆนะบางพวกมันอติมานะอติมานะเนี่ยเธอบอกมานะอันยิ่งแปลเป็นไทยว่าดูหมิ่นคนอื่นเนี่ยนะก็อาศัยสิ่งเหล่านี้แหละดูหมิน่นดูแคลนคนอื่นขเขาไปหมดเลยมันก็ให้ละมานะในใ น, ใ น, ในอุปาทานขันห้า แต่นั้นเธอจะเป็นผู้สงบเพราะการละมานะเหล่านั้นได้แล้วก็เที่ยวไปเนี่ยนะให้เป็นผู้สงบนะคําว่าสงบในที่นี้ท่านบอกว่าอัตถกถาที่บายว่าสงบด้วยพละสมาบัติเนี่ยนะก็บอกว่าเที่ยวไปด้วยระวังเที่ยวไปก็เข้าพละสมาบัติไปเรื่อยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละเรียกว่าคนสงบที่แท้จริงเพราะมีอารมณ์ที่สงบคือนิพานเป็นอารามณปัจจัยจิตที่ส่องเสพนิพานที่เสพให้มากทําให้มากก็คือ พลและจิตนั่นเองเนี่ยนะก็เข้าพระละสมาบัติเที่ยวไปเรื่อยเนี่ยนะรอการที่เป็นอนุปาที่เสสะนิพพานธาตุเหมือนกะันมันพระองค์ก็ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนท่านพระราหุลด้วยพระคาถาเหล่านี้เนืองๆด้วยประการชนนะิดแสดงว่าสอนบ่อยมากตั้งแต่บวชอายุเจ็ขวบมาจนถึงพรรษายี่สอนอย่างน้อย13ามพรรษาเนี่ยนะซึ่งคาถาเหล่านี้เจอกันก็จะถามคาถาเหล่านี้เรื่อยๆเรืนะ่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นพระ พระราหูนเนี่ยท่านยังยังหนุ่มเนี่ยนะยังยังเป็นหนุม่ม <c oughs> แต่ว่าหัวข้อที่สําคัญมากที่สุดก็คือเนี่ยพระราหุูอาศัยครูหรือสสพรมจารีคือภาษาริบุตรนี่นะที่อยู่ในฐานะของครูแล้วพระองค์ก็ขับเน้นเสมอว่าให้พระราหูนเนี่ยตั้งหิริอตตะะตั้งความรักตั้งความเคารพในภาษาริบุตรเอาไว้อย่างแรงกล้าให้มากเนี่ยนะ แล้วก็เป็นเหตุอันนี้ถือว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อแรกที่ทําให้เกิดปัญญาไนงะกัลยาณมิตรแต่ถ้าแสดงในแง่ของมงคลนี่ก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วทีนี้ในขณะเดียวกันนี้กัลยาณมิตรก็ควรศึกษาด้วยว่าองค์คุณของกัลยาณมิตรนี่มีอะไรบ้างเนี่ยนะก็เช่นบุคคลนั้นเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลเป็นผู้ที่มีกระถาที่พูดลึกซึ้งเป็นต้นเนี่ยนะมันก็ ศึกษาองคุณของผู้ที่เป็นกรลยานมิตรที่เรียกว่าครูอาจารย์น่นะอันนี้ข้อแรกนะปัจจัยที่ทำให้มีปัญญาคือกาลยานมิตร